ต้อนรับพระเทรานุเทระแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกท่านคืนนี้นี่ก็เป็นการอุ่นเครื่องนะรมใญาติราเนี่ยคือมันจะติดขัดอย่างเงี้ยไปตลอดนะจนถึงวันที่8เลยนะเราเริ่มมาเจอความติดขัดนะตั้งแต่เรื่องของการที่ไฟฟ้าไม่พอมัง่งมันจะมีการติดขัดโน่นนี่นะเป็นระยะระยะทุกวัน บางทีก็ไม่มีไฟบ้างบางทีก็ไม่มีเสียงบ้างบางทีก็ไม่มีส้วมบ้างนะก็ให้ถือว่ามามาปรับตัวนะเข้ากับบรรยากาศแล้วก็รสชาติของธรรมยาราสาระพวกเราหลายคนในที่นี้เนี่ยวันนี้ก็เหมือนกับการเป็นการมาพบปะญาติมิตรไม่ได้คุ้นเคยกันมานานอา่ะ ไ, ไม่ได้พบปะกันมานาน บางคนก็ไม่ได้พบปะ ก, กับมิสหายหลายคนนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะหลังจากอำลาที่อุทย า, ตาตนตัดต้นซึ่งว่าสุดท้ายของธรรมยาตารปีที่แล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยนะมาเจอกันอีกทีก็วันนี้คืนนี้แต่หลายคนนะก็อาจจะเพิ่งมาพบปะ ก, กับ มิสหายวันนี้เป็นวันแรกเพราะว่าเป็นผู้มาใหม่กว่าครึ่งเนี่ยนะเท่าที่ทราบไม่เคยมาเดินธรรมยาตราซึ่งก็อาจจะหมายถึงไม่เคยมาที่นี่ด้วยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนที่พบเห็นในวันนี้ก็อาจจะเหมือนกับเป็นคนที่เพิ่งพบกัน แต่สารธรรมยานี่มันมีมันมีคติอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือว่าที่นี่เราไม่มีคนแปลกหน้านะมีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักกันนะพวกเราทุกคนในที่นี้แม้หลายคนจะเป็นคนใหม่แต่ก็ถือว่าเป็นเป็นมิตรเป็นสหายนะที่เพิ่งรู้จักกันนะ และมิตรภาพของเราก็คงจะกระชับแน่นมาขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางนนะั้ที่เราเดิมหรือว่าตามวันเวลาที่ผ่านไปคืนนี้ก็อย่างที่ธรรมาว่านะันมันเป็นคืนสุดดิบนะของธรรมยาราธรรมยาราจริงๆเนี่ยเริ่มต้นพรุ่งนี้นะแต่ว่าคืนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาอุ่นเครื่องนะ มาสัมผัสกับรสชาติบรรยากาศของธรรมยถาบางคนแต่จะไม่เคยม า, อานอนกลางดินกินกลางทรายเต้นก็ไม่เคยกลางนะคือนี่ก็มาฝึกกลางนะเอาไว้ใช้เวลานา น, านหน่อยนะสําหรับผู้ฝึกใหม่ผู้มาใหม่แต่ว่าวันต่อๆไปก็จะกลางเต้นได้คล่องขึ้นนะเส้นทางที่เราจะ เดินนะตลอดเจดแปดวันข้างหน้านี่มันก็จะเต็มไปด้วยความไม่สะดวกสบายนะคืนนี้จะเป็นคืนที่สถานที่ที่นี่เป็นสถานที่ที่สะดวกสบายที่สุดนะเมื่อเช่ยกับอีกเจ็ดแปดแห่งที่เราจะไปค้างแรมนะเพราะนั้นใครที่รู้สึกว่าโอยังยั ง, ย, งยังลำบากอยู่ตรงเนี้ยนะก็ให้พยายามปรับตัวนะเพราะว่าข้างหน้าเรา มันจะมีความขรุขระติดขัดติกนะเป็นระยะระยะนะโดยเฉพาะเรื่องห้องน้ำนะที่นี่นี่ยุสวจะมีห้องน้ำมากที่สุดนะในบรรดาเส้นทางที่เราอ่ะจะต้องต้องค้างแรมนะก็ให้ฝึกเอาไว้นะฝึกใจปีนี้นะเรามาเริ่มต้นเดินธรรมยาตราที่วัดป่ามหาวัน เป็นเวลาหลายปีแล้วนะเกือบสิบปีแล้วนะที่เราไม่ได้มาสตาร์ทกันที่ตรงนี้วัดป่ามหาวานนี่เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมยาราครั้งสุดท้ายเนี่ยปีห้าหนึ่งนะก็เกือบสิบปีมาแล้วนะไม่ทราบว่ามีใครที่บางที่ไม่เคยมาที่นี่เลยมั่งไอ้ช่วยยกมือไม่เคยมาเลยนะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมยาตราตั้งแต่ปีแรกธรรมยาตราปีแรกนี่เริ่มต้นเมื่อปีสี่สาม หลายคนที่มาเดินยังไม่เกิดนะหลายคนยังไม่เกิดนะเพราะว่าบางคนก็อายุแค่เจ็ดแปดขวบนะมาหรือยังเนี่ยเด็กแปดแปดเก้าขวบเนี่ยมาอย่างนะบางคนก็อายุสิบสามนะยังไม่เกิดเหมือนกันนะอย่างอังคารเนี่ยธรรมยตราเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกนะที่นี่นะปีสี่สามแล้วปีต่อมาก็ใช้นะผู้หลงเป็นจุดเริ่มต้น ปีสี่ห้าก็เหมือนกันหลายปีเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยหลายปีทีเดียวที่เราใช้วัดป่ามหาวหรอผูหลงเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนนะไปไปเริ่มต้นที่จุดอื่นแทนนะครั้งสุดท้ายที่เร า, เ, าเดินเริ่มต้นจากเริ่มต้นเดินเทมาตาก็ปีห้าหนึ่งนะ จุดหมายตอนนั้นปีนั้นคือจังหวัดชายภูมิในตัวเมืองปีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปที่เมืองชายภูมิเช่นเคยเนะแต่ว่าเราจะไปไกลกว่า น, นั้นนะเราจะไปให้ถึงปากตกนะปากตกก็คือคล้ายๆปากน้ำาหมอ น, นะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่จุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำที่จะลงทะเล แต่ว่ามันเป็นจุดเชื่อมที่ลำปะทานนี่จะไปจะไปบรรจบกับลำน้ำชีนะซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ธรรมยานตาไม่เคยแวะเวียนไปก่อนสาหรับผู้ใหม่นะที่ไม่เคยมาที่นี่เนี่ยนะอยากจะแนะนำนะผู้หลงให้พวกเราทราบสักเล็กน้อยผู้หลงนี่ก็ เป็นต้นน้ำนของลําปะทาวลาปะทาวเนี่ยนันเป็นเป็นพระเอกหรือนางเอกเนะ ข, ของธรรมญาตามาทุกปีนะเพราะว่าชื่อเต็มชื่อว่าธรรมยาตารุ่มน้าลาปะทาวหรือว่าชื่อเต็มยาวกว่านั้ น, นะ ค, ะคือธรรมชาติเพื่อธรรมญาตราเพื่อชีวิตและธรรมชาติรุ่มน้ําลําปะทาวต้นน้ําลําปะทาวเนี่ยนะก็อยู่ที่นี่ะนะ ภูหลงทางราชการเนี่ยเขาถือว่าผู้หลงเนี่ยเป็นต้นน้ำชั้นหนึ่งเอซึ่งโดยตามกฎหมายเนี่ยเขาแม่นุญาตให้ให้มีมนุษย์มาอาศัยนะหรือว่ามาใช้ประโยชน์แต่ว่าที่นี่เนี่ยวัดป่ามหาวันเราก็มีพระม า, มาอยู่นานแล้วนะตั้งแต่สมัยที่เริ่มมีการตั้งรกรากบน หลังเขาแถบนี้เนี่ยก็คือเมื่อประมาณสี่สิกว่าปีที่แล้วสมัยเมื่ อ, อ, อหลวงพ่อบุญธรรมนะท่านมาจาริกมาที่ที่นี่เนี่ยประมาณปีหนึ่งสองนะก็ส7สิบเจ็ดปีแล้วหลังเขาเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยต้นไม้ป่าทึบนะสิงสารสาัตว์มากมายมีช้างมีเสือมีหมี ช้างฝูงหนึ่งก็โคลงหนึ่งก็เคยอยู่แถววัดป่าสุกโตนะช้างตัวสุดท้ายก็ออกหนีจากป่าฝืนนี้ไปก็ประมาณสักปีสอง1ูนย์สองหนึ่งสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมันเต็มไปด้วยป่าทึบนะต้นไม้ต้นใหญ่ๆ ห, หลายคนโอบตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมีการทำไม้ มีการให้สัมปทานทําไม้นะสัมปทานทําไม่นี่เป็นอดีตไปแล้วนะยกเลิกการให้สัมปทานตั้งแต่ปีสามสองนะก็ยี่สิบเจ็ดปีแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นอดีตไปแล้วคนรุ่นนี้ไม่รู้จักคาว่าสัมปทานทําไม้นะแต่สมัยก่อนเนี่ยเราีเราทราบดีนะว่าเมืองไทยนี่ก็เป็นส่งออกไม้นะไม้ักดนะิไม้ราคาแพงก็ส่งออก แล้วก็แหล่งไม้เนี่ยนะก็หลังเขานี่ก็เป็นแหล่งทำไม้นะแหล่งหนึ่งตอนนั้นแต่ประมาณปีหนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยมันมีการมีการไปตัดไม้แถววัดป่าสุกโตหลวงพระบุญธรรมก็เลยแค่ๆวาจาริกมาหนีมาอยู่ที่นี่หนีมาที่นี่ท่านก็พอใจธรรมชาตินะที่อ่ อุดมสมบูรณ์ก็เลยเป็นจุดที่ท่านจาริกมาอยู่บ่อยๆแต่ว่าบางช่วงก็มี ม, มีพระไม่มีพระมาป่าแถวนี้เนี่ยมันเริ่มนะพอมีการสัมปทานทำาย ม, มันก็เปลี่ยนสภาพไปนะเส้นทางที่เราเรานั่งรถมาจากต่ดโตนนะใครที่มาจากต่ดโตนใครที่มาจากแก้งคอเนี่ยเส้นทางที่เราใช้เนี่ย บนบนหลังเขาเนี่ยนะมันเป็นเส้นทางชักลากไม้สมัยก่อนเนี่ยสามสิบสี่ปีก่อนสี่สิบปีที่แล้วนี่มันเต็มไปด้วยต้นไม้นะต้นใหญ่ๆญ่แต่ว่าพอมีการทำไม้เนี่ยป่ามันก็ถูกทำลายไปจนเหลือป่าที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเนี่ยไม่กี่จุดไม่กี่แห่งนะป่าภูกลางป่าภูขีแล้วก็ป่าภูหลง ส่วนป่าสุกโตนี่มันมันเป็นป่าชั้นสองชั้นสามไปแล้วเพราะว่ามีการทําไม้สมัยที่ชาวบ้านเนี่ยขึ้นมาตั้งหมู่บ้านประมาณ ป, าณปีสองศูนหรือก่อนนั่นนั้นเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็เห็นความสําคัญของป่าพูหลงนะเขาก็เลยตกลงกันว่าจะให้เป็นป่าอนุรักษ์ก็คือชาวบ้านไม่ไ ม, ไม่มายุ่งไม่มาตัดไม้ไม่มาทาอะไรกับป่าพื้นนี้ ส่วนป่าภูโจโก้เนี่ยซึ่งอยู่ทางที่ตะวนออกเนี่ยเขาก็เอาไว้ใช้เป็นที่ทำเลที่ทำเลก็คือใช้เลี้ยงสัตว์แล้วก็มีป่าสำหรับผีปูญ่ญาตก็อยู่ตรงอยู่ตร ง, ตรงหน้าผาใครที่ขึ้นมาทางบ้านธาตเนี่ยก็จะเห็นมีสารปูญ่ญาตรงนั้นแหละเขาเรียกป่าเขาเรียกป่ า, าป่าวัฒนธรรมนะ ก็หมายถึงว่าเป็นป่าสําหรับเป็นที่อาศัยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขาชาวบา้านกนับถือผู้หลงนี่ก็ได้รับการนุ่รักษจากชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่มาไม่มาตัดไม้ไม่มาล่าสัตว์ตอนนั้นเนี่ยผู้หลงก็ปลอดภัยราบรื่นเพราะว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยมันยังมีป่ามันยังมีสัตว์นะมันยังมีต้นไม้ต้นใหญ่ แต่พอตัดกันไปหมดแล้วเนี่ยป่าก็ถูกทําลายสัตว์ก็อพยพหนีมาอยู่แถวพูหลงก็เริ่มมีคนเข้ามาตัดไม้ที่พูหลงมากขึ้นตอนเจตมามาอยู่เนี่ยเริ่มปีสามสามเนี่ยนะมันก็ก็มีร่องรอยของการลักลอบตัดไม้แต่เรียกว่าร่องรอยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าร่องรอยมันก็ว่าเป็นสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าจริง ตอนที่มาอยู่นี่ก็จะมีการลักลอบทำไม้กันอยู่ตัดไม้กันอยู่ <c oughs> ก็อาศัยพรนเนี่ยช่วยกันลาดตะเวนตอนที่จะมาไปลาดตะเวนป่าภูหลงเนี่ยนะป่าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเนต้นยางหลายคนโอบนี่มีเยอะนะเป็นดงเลยแต่ตอนหลังถูกทาลายไปเพราะไฟป่านะป่าภูหลงเนี่ยเริ่มถูกคุกคามเนี่ยก็ประมาณยี่สิบปีที่แล้วยี่สิบห้าปีที่แล้ว ไม่ใช่เพราะชาวบ้านชาวบ้านตาลินทองนนะแต่ว่าเป็นชาวบ้านจากที่อื่นชาวบ้านตาลินทองเนี่ยซึ่งเราจะผ่านพรุ่งนี้เนี่ยนะเขาก็ร่วมมือกับทางวัดในการรักษาป่าแต่ว่าชาวบ้านจากที่อื่นเนี่ยเขาก็มามาตัดเอาไม้บ้างมาล่าสัตว์บ้างตอนหลังก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยมาตัดไม้ก็ทําได้ประสบความสําเร็จพอสมควร ต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือไฟนะไฟมันเข้ามาไฟนี่มันเกิดจากการตัดไม้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าพอตัดไม้เนี่ยพื้นที่มันก็เปิดโลง่งหญ้าก็ขึ้นพอหญ้าขึ้นถึงหน้าแล้งก็กลายเป็นเชื้อพอจุดไฟพอไฟเกิดนะมันก็เป็นเชื้อไฟให้ไฟเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วมันก็ทำให้ต้นไม้ที่อยู่รอบๆเนี่ย ถูกทำลายคนล้มก็เปิดพื้นที่ให้ให้หญ้าเข้ามาหญ้าคาหญ้าหญ้าพงแล้วก็เป็นปัญหาสืบมาถึงแม้ว่าทางบากับชาวบ้านเนี่ยจะช่วยกันนะควบคุมไฟเนี่ยทุกปีทุกปีเนี่ยทำมาเกือบ20ปีแล้วนะตั้งแต่ทำแบบสมัครเล่นอย่างนัทำแบบจริงจังเนี่ยนะก็สามารถจะควบคุมไฟได้ ในช่วงสีห้าปีหลังนี่จริงๆสิบกว่าปีหลังเนี่ยนะไฟไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่ต้นไม้ที่อยู่ในเขตเขตวัดนี่ก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นทุกปีทุกหน้าฝนก็มีคนมาปลูกป่านะบริษัทแปลงบ้างบา ง, บางจากบ้างนะแล้วก็จิตอาสามากมายก็มาปลูกจนรงทั่งเกือบเต็มพื้นที่ แต่ว่าปีนี้เนี่ยนะมันจะเรียกว่าฝนฟ้าไม่อำนวยนะถ้าผู้ภาษาชาวบ้านคือโชคไม่ดีนะเพราะว่ามันแรงจัดมากแล้วก็ประมาณต้นเมษาเนี่ยมันก็มีคนมาจุดนะเข้าใจว่ามาเป็นจุดมาไล่ไล่หมูป่าที่แรกก็จุดอยู่ตรงแถวภูภูสามชั้นนะใช้เวลาสิบกว่าสิบกว่าวันกว่าจะดับได้สองอาทิตย์ เสร็จแล้วมันก็กมีไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งนะวันที่16เมษายนอันนี้ไหม้แรงมากนะเพราะว่าการที่มันมีไฟเข้ามาเลยเนี่ยไม่มีไฟเข้ามาในเขตป่าเนี่ยนานๆเนี่ยมันก็ทำให้ยากททำให้เศษ็หญ้าแห้งใบไม้แห้งเนี่ยซึ่งมันสะสมมาไว้เนี่ยมันก็กลายเป็นเชื้ออย่างดี ก็ทำให้ไฟไหม้ลูกลามได้เร็วมากอย่างที่เป็นข่าวนะที่พวกเราได้ฟังข่าวคราวทางเฟ e b o o k เมษาปีนี้ก็ไฟป่าก็เผาทำลายภูหลงไปอย่างน้อยสองพันไร่นะสองในสามพื้นที่ปา่าแล้วก็เลยเดือนต่อมาก็เลยมีการทำโครงการนะปลูกถั่วทั่วพูฟื้นผูผผปา่าภูหลงมีใครได้มาไหม ปลูกถั่วเนี่ยเมื่อประมาณพฤษภาเนี่ยมีมาบ้างนะปีนี้เนี่ยภูหลงก็เลย เ, เป็นเป็นเป็นจุดที่มีกิจกรรมค่อนข้างจะค่อนข้างจะถี่นะหลังจากที่ปลูกถั่วทั่วภูแล้วเนี่ยก็มีการระดมคนมาปลูกป่ากันตลอดภรรษาเรียกว่าท้าทุกทิตเลย แล้วก็ตอนนี้เราก็ที่นี่ก็มาเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินธรรมญาตาิครั้งธรรมญาตินี่ก็มันก็เป็นความพยายามนะในการที่จะนะปลุกจิตสำนึกผู้คนนะบนหลังเขาเนี่ยให้ตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ป่าที่จริงการเพียงแค่การรักษาป่าผู้หลงก็ดีป่าสุกโตนี่ก็เป็นเรื่องที่เอ่อใช้กำลังไม่ใช่น้อยนะ แต่หลวงพ่อม เ, เขียนน่าก็คิดว่านะเราควรจะรับผิดชอบนะธรรมชาติเนี่ยมากกว่านั้นนะคือไม่ใช่แค่ดูแลเฉพาะป่าที่อยู่ในเขตวัดนะแต่ควรจะใส่ใจกับธรรมชาตินะทีอ่อยู่รอบๆหลังเขาเนี่ยเรียกวฟูลนคา ซึงแม้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ควรจะทำตามกำลังที่เรามีนะธรรมยถาทานนี่ก็เป็นก็เป็นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเนะี่ยที่หลวงพ่อท่านิริเริ่มขึ้นมาแล้วก็ก็ไม่คิดว่ามันจะยืดยืดยาวมาจนกระทั่งปัจจุบันนะตอนที่เดินตอนที่จัดธรรมยาราปีแรกเนี่ยซึ่งเริ่มต้นที่นี่เนี่ย คืนก่อนเดินทางเนี่ยคนที่จะมานั่งล้อมวงคุยกันก็มีไม่มากนะยี่สิบสาสิบคนนะรวมพระด้วยรวมชีด้วยคนมามากขึ้นตอนที่มาสมทบรับกลางทางนะมากขึ้นปีที่สองปีที่สามคนก็ยังไม่มากนะสาลาซึ่งเล็กกว่านี้เนี่ยก็ถูกคนที่มาร่วมออกเดิน เรียกว่าได้ครบถ้วนแต่ว่ามาถึงปีนี้เนี่ยสารานี่มันก็เล็กไปละนะหลายคนก็ไม่สามารถขึ้นมาข้างบนนี้ได้นะจากเดินที่มีคนมาร่วมเดินวันวันแรกเนี่ยสามสิบสี่สิบคนนะมาถึงปีนี้ก็สองร้อยกว่าแล้วตามตัวเลขที่ตามตัวเลขที่มีผู้แจ้งมานะ อันนี้ก็แสดงว่าผู้คนให้ความสนใจกับการเดินธรรมยาราทั้งในแง่ของการทำเพื่อปกป้องธรรมชาติแล้วก็เพื่อการปฏิบัติธรรมด้วยธรรมยาราเนี่ยมันเป็นการเป็นการเดินนะเพื่อธรรมะแล้วก็ธรรมชาติไปพร้อมๆกันมันมีความหมายอย่างไรนะ เราจะค่อยๆพูดกันต่อไปนะว่าธรรมยาตานี่มันเป็นการเดินเพื่อธรธรมะและเดินเพื่อธรรมชาติได้อย่างไรแต่จากประสบการณ์ของหลายคนที่ผ่านการเดินนะก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นอาจจะไม่ได้ช่วยให้เกิดไ ม, ไม่ได้ช่วยทำให้เกิดความตื่นตัวเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมเท่าไหร่นะแต่ว่า การการฝึกจิตนะการขัดเกลอาชีวิตเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับการอยู่แบบเรียบง่ายไม่เบียดเบียนธรรมชาติรวมทั้งไม่เบียดเบียนตัวเองอันนี้ก็คือสิ่งที่หลายคนได้ประ จ, จักษ์นะก็เลยมามาร่วมเดินหรือว่าถ้าไม่มาก็ บอกกล่าวต่อๆกันปากต่อปากว่าลองมาเดินดูสำหรับผู้ที่ไม่เคยมาก็กคงจะทราบนะว่าธรรมญาตราเนี่ยมันมันเป็นการเดินที่ไม่ใช่สุดกสบายเท่าไหร่นะชื่อเนี่ยดูดูดีนะธรรมญาตรานแต่ว่ า, ามันเต็มไปด้วยนะความวิบากนะเต็มไปด้วยอุปสรรค เต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่เคยเจอเจอแต่ก็คอยเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะจะสามารถฟันฝ่าไปได้พอแม่แต่เด็กห้าหกขวเนี่ยก็สามารถจะเดินธรรมญาตาไปจนตลอดเส้นทางได้นะเด็กเนี่ยเด็กเด็กนี่ก็เป็นสีสังธรรมญาตานะและ แม้กระทั่งเด็กเนี่ยนะเท้าขว่มีเขาก็สามารถจะเดินฝนะ่าความร้อนนะทนลมหนาวแล้วก็ไม่ยั้นนะกับเส้นทางที่ยาวไกลเนี่ยมันก็แสดงว่าไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเนี่ยนะพวกเราก็จะสามารถนะฝ่า พากันเดินไปจนถึงจุดหมายปลายทางถ้าใครที่ตั้งใจว่าจะเดินถึงวันที่แปดเนี่ยแล้วก็วิตกนะว่าจะทําได้ไหมนะก็อยากอยากให้ความมั่นใจว่าทําได้แน่นอนนะแม้บางคนอาจต้องกระเพกบ้างบางคนเนี่ยเดินเนี่ยนะผ้าพันผ้าพันเท้านี่นะ ไม่รู้กี่ไม่รู้กิจชั้นนะเพราะว่าเท้าพองเนี่ยก็ยังสามารถจะเดินไปถึงนะโดยที่ไม่ยอมนั่งรถเรียกว่าถ้าจะคลานก็ก็พร้อมจะคลานอันนี้เพราะว่ามันเป็นมันเกิดจากกำลังใจที่พวกเราให้กันนะแต่แต่ละคนเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กันและกันได้สิ่งที่ช่วยไท้ธรรมญาตาเนี่ย ทำสำเร็จนะก็คือการที่เราร่วมใจกันนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันมีมันมีอนุภาพอย่างไรเนี่ยเราก็คงจะได้พบได้สัมผัสนะในช่วงสองสมวันแรกแล้วก็หลังจากนั้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มิตรภาพหรือ ความสัมพันธ์ในระหว่างเดินธรมมยุตราเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการกระตุ้นหรืออปลุกเร้านะอพลังที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราที่เราเคยคิดว่ามันไม่มีหรือว่ามันกดดันอยู่เนี่ยมันออกมาเรื่องนี้ก็ก็คงจะได้เห็นนะด้วยตัวเองนะในวันต่ อ, ตอไป ในช่วงเดินธรรมยตานี่เราก็จะมีกิจกรรมนะกิจกรรมตลอดทั้งวันนะบางกิจกรรมก็เป็นเรื่องที่เราต่างคนต่างทมเช่นการเดินเป็นการเดินเนี่ยเราจะต่างคนต่างเดินไม่พูดไม่คุยกันแต่พอเราถึงที่พักไม่ว่าจะเป็นพักเพยหรือว่าพักครั้งแรมเนี่ย เราจะร่วมมาร่วมมือกันนะทำกิจกรรมนะสุดแท้แต่ว่าอ่แต่ละกลุ่มนะที่เราสังกัดเนี่ยนะเขาอ่มีหน้าที่อะไรแต่มันไม่ใช่แค่ทําเฉพาะกลุ่มของกับกลุ่มของเรานะมันจะมีการร่วมมือกันทำอ่าพร้อมเพรียงกันนะทั้งคณะธรรมยา ต, ตาเลยทั้งขบวนเลย อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ได้ได้ลองนะเปิดใจหรือว่าผลักดันตัวเองนะให้ทำในสิ่งที่เร า, า จ, จะไม่คุ้นเคยบางคนอาจจะถนัดหรือว่าคุ้นเคยกับการ อ, าอยู่แบบวิเวกปริกตัวทำอะไรคนเดียวไม่ค่อยคุ้นกับการที่จะร่วมมือทำ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มย่อยหรือว่าทั้งขบวนแต่ก็อยากจะให้เราได้ลองนะผลักดันตัวเองเนี่ยให้ลองทำสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะและตมาเชื่อว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรที่มีที่มีคุณค่าของตัวเราแล้วก็ได้เรียนรู้นะ สิ่งดีๆมากมายนะที่อยู่รอบตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้นะพวกเรานะไดนะ้พยายามนะทำกิจกรรมต่างๆที่ที่ได้รับมอบหมายหรือว่ากิจกรรมที่มีการกำหนดเอาไว้นะลองทำดูสักพักนะรวมทั้ง ชีวิตที่จะต้องนอนกลางดินกินกลางทรายหรือว่ากลางต้องอยู่แบบที่เราไม่คุ้นเคยตามภาษาคนเมืองเนี่ยให้ลองเปิดใจอย่าพึ่งบน่นอย่าพึ่งโวยวายอย่าพึ่งตีโฟยตีพายบางคนเนี่ยมาแค่คืนสองคืนก็ไปแล้วเพราะว่าผิดหวังที่มนไม่เป็นไปอย่างที่วาดภาพเอาไว้บางคนอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะ เรียกว่าเป็นการเดินทุดงนะพอมาเจอธรรมญาตามันผิดไปจากภาคที่ว่าแต่ว้อยู่แค่คืนเดียวก็ไปแล้วรุงช้าก็ไปแล้วอันนี้เรียกว่าดวนตัดสินนะแล้วก็ยังไม่ดูให้รอบครอบทั้งที่มันมีอะไรที่จะให้เรียนรู้ได้มากมายเพราะว่าวิสัยนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ว่าเจออะไรเนี่ย นอกจากปรับใจให้อยู่กับมันได้อย่างไม่ไมทุกข์แล้วเนี่ยยังสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้ด้วยหลายคนก็ตั้งใจมาเพื่อเพื่อมาฝึกตนมาปฏิบัติธรรมก็อยากจะให้วางวางภาพนะการปฏิบัติธรรมที่เราคุ้นเคยหรือว่าวิธีการปฏิบัตินะที่เร า, าถนัดนะเอาไว้ก่อนเพราะว่า การปฏิบัติธรรมธรรมยานตานี่มันจะไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยนะแต่ว่าเนื้อตัวของมันเนี่ยนะอยากจะอยากจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่งนะสำับคนที่ต้องการที่จะมานะมาช่วยฟืน้นฟูนักธรรมชาตินะก็อยากจะให้ใช้โอกาสนี้เนี่ยได้ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วขณะเดียวกันก็ลองนะเปิดใจเรียนรูนะ้มิติ ด, ด้านในนะซึ่งมันอาจจะมีอะไรดีๆให้เราเห็นบางทีมาได้เห็นหรือว่ามามารับรู้เนี่ยก็ไปไปลายธรรมยาตาแล้วนะอันนี้ก็จะได้เป็นการเพิ่มมิติ ด, ด้านในให้กับตัวเอง นอกเหนือจากการที่ไป อ, อยากจะช่วยเหลือธรรมชาติให้มันดีขึ้นในตองเดียวกันคนที่มาเพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ลองใช้อกาสนี้เนี่ยนะบำเพ็ญประโยชน์ท่านไปด้วยนอกเหนือจากการมาฝึกฝนตนแล้วเนี่ยก็ให้ลองตระหนักว่าการช่วยเหลืออนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยนะมันก็เป็นอีมิติหนึ่งนะที่ เรานะไม่ควรมองข้ามทุกคืนเราก็จะมาคุยกันแบบนี้นะรวมทั้งทุกเช้าเนี่ยหลังทำวัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พวกเรานะได้มาพร้อมเพรียงกันนะไม่ว่าจะเป็นการทำวัดเช้าแล้วก็วัดเย็นและเป็นโอกาสที่เราจะได้ป่าวประกาศนัดแนะบอกกล่าวนะกิจกรรมนะที่เราจะต้องทำนะ ทั้งในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่าคืนด้วยก็ข อ, อค่านี้ก็พูดกันเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวะจะมีการพูดคุยแนะนำนะในเรื่องเกี่ยวกับท ร, รมยาตาโดยตรง